เวลาิมนาทีอาจจะไม่ไม่นานพอที่จะทำให้เรารู้สึกเบื่อนะแต่ว่ามันจะมีเวทนาหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะก็คื อ, อยุงกัดนะลองลองลองใช้ลองอ า, อาศัยยุงนี่แหละมาเป็นครูสอนเราว่าเราจะรู้ทันเวทนาได้ไหม ทุกเวทนานะโดยเฉพาะาบางท่านที่ อ, อยากจะอยากจะฝึกนะเรื่องให้การมีสติตามรู้เวทนาซึ่งจะว่าไปแล้วเนี่ยก็จะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากอันนี้มาถึงเวทนาที่ อย่างที่เราจะประสบในช่วงยี่สิบนาทีนี้คือความรู้สึกนึกคิดเนี่ยมันก็มันเกิดจากการเผลอคิดใช่ั้ยพอเผลอคิดเรามีสติรู้ตัวมันก็มันก็จางคลายไปมันก็หลุดไปเผลอเมื่อไหร่มันก็มาแต่ว่า เ, เวทนาเนี่ยเรารู้เราตามรู้ทันมันก็ยังเกิดขึ้นอยู่นะ เช่นยุงกัดหรือว่ความเมื่อยเนี่ยมันก็ปรากฏปรากฏแบบยืนพื้นไอความความเกิดดับของมันเนี่ยมันจะไม่ชัดเจนหรือรวดเร็วเท่ากับความรู้สึกความนึกคิดที่เกิดขึ้นคิดปุ๊บรูปปั๊บหายคิดปุ๊บรูปปั๊บหายคลายไปแต่เวทนาเนี่ยมันมันรู้แล้วมันก็ยังอยู่นะ แต่ว่าเราจะรู้มันอย่างไรเราจะเราจะวางจิตอย่างไรนะที่จะให้เราไม่ไม่ไปไม่ใจไม่ทุกไปกับมันลองฝึกโดยที่ไม่ไม่ปัดเป่าดูบ้างเช่นยุงมายุมากัดมายุงมาตอมอยุงมากัดนะเราลองดูกายดูใจของเรา ความรู้สึกอาการทางกายเป็นอย่างไรมือที่มันคือยื่อคือยื่อขยับจะเข้าไปปัดหรือว่าอาการปฏิกิริยาตรงผิวหนังบริเวณที่ยุงมันกัดมันมีปฏิกิริยาอย่างไรความรู้สึกที่ปุความรู้สึกที่คนันจี๊ดแล้วก็หายไป ไอตัวจิตหายไปแต่ว่าตัวความเจ็บยืนพื้นก็ยังปรากฏลองสังเกตดูทำยังไงเราถึงจะ เ, เรียนรู้ที่จะปวดกายแต่ว่าใจไม่ปวดก็เป็นแบบฝึกหัดง่ายๆนะจากนะการปฏิบัติในช่วงสั้นๆอันที่ผ่านมาเราอาจจะพยายาม ปัดเป่าทุกขเวทนาตัวนี้หรือป้องกันทุกขเวทนาตัวนี้แต่ว่าถ้าเราลองใช้ทุกขเวทนาหรืออาการที่ยุ่งกัดเนี่ยเป็นแบบฝึกหัดเล็กๆในการเจริญสติที่ว่าเล็กก็หมายความว่ามันมันเล็กเมื่อเทียบกับความเจ็บปวดอีกมากมายที่จะเทียบเกิดขึ้นกับเราในอนาคตแต่ว่า สำหรับผู้ฝึกใหมก่ก็อาจจะรู้ส่วนรู้ส่วนมันไม่เล็กเลยเพราะว่ามันมันปวดจริงจริงนะยิงบางยุงบางชนิดนี่มันมันทำให้เราเนี่ยแทบจะอยู่นิ่งไม่ได้นะแต่ลองนะลองใช้ความอดทนอดทนข่มใจดูแล้วก็ตั้งหลักให้ดีนะเอาสตินี่แหละมาช่วยให้ให้เราเนี่ย เห็นความปวดได้เห็นความปวดอย่างไรโดยที่ไม่ไปไปถูกมันดูดมันเกลืนเข้าไปจนกลายเป็นผู้ปวดอันนี้เป็นเรื่องที่น่าฝึกมากนะเป็นการบ้านสําหรับพวกเราซึ่งเป็นนักปฏิบัติธรรมที่อาจจะได้เรียนรู้วิธีการในการดูกายดูใจอย่างทั่วไปมาแล้วนะก็ขอเชิญทดลองทํากันดู